ทรงประชุมทรง์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีบวชให้สิกขามานาผู้ยังไม่ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหกข้อตลอดสองปีจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจา้า่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่า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 เราอนุญาตให้ภิกษุณีสงให้สิกขาสมมุติในธรรมหกข้อเป็นเวลาสองปีแก่สิกขามานาภิกษุทั้งหลายทรงพึงให้สิกขาสมมุติอย่างนี้